ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใตร่มประโพธิญาณกำลังประรบเรื่องสมาสังกัปปะคือความดำริหรือความคิดหรือความตรึกนึกเหนียวนึกในทางที่ชอบเราเห็นว่าแนวนี้ก็ใช้คำหลายๆคำบางครั้งอาจจะพูดถึงจินตนาคือความคิด บางครั้งอาจจะพูดถึงวิตกวิจารณคือตรึกนึกเหนียวนึกบางครั้งอาจจะพูดถึงวิจัยบางครั้งอาจจะพูดถึงโยนิสุปมนสิการแต่ว่าในอริยะมรรคนั้นส่งเรียกว่าสมมาสังกัปปะคืแต่และอย่างก็เป็นปริมาณของปัญญาเพียงแต่ว่ามีความเข้มข้นที่แตกต่างกันออกไป ระดับชมาสังกับปะนั้นเป็นการพูดระดับต้นๆคือการปัญญาระดับงดเว้นมันไม่ถึงไปเจาะลึกในแนวของธา ร, รมวิจัยหรือว่าแนวของการเพ่งพินิษพิจารณายังแต่ว่าดูความคิดของเราเนี่ยว่าตอนนี้เราคิดอย่างไร ตัวคนนั้นตัวสัตว์นั้นเราคิดยังไงโดยเนื้อหาสาระแล้วต้องการจะให้ความคิดนั้นได้แผ่กระจายออกไปเป็นเมตตาสากลเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นมันก็อยู่ที่ศีลข้อปธิบาทถึงท่านบุฟังจะสังเกตนะครับว่าในโลกนี้มีพระพุทธศาสนาศา ส, สนาเดียวที่ เน้นศีลปานาธิบาตปนานะไปวอลลมหายใจเข้าออกหมายความว่าลมมีปราณคือสัตว์ที่มีปราณในชั้นแรกพูดเรื่องศีลก็พูดระดับงดเว้นงดเว้นไม่พูดไม่ทำงดเว้นระดับการพูดการทำแต่แน่นอนว่าใจมันก็ต้องไปเจรนาเห็นโทษของการกระทำเช่นนั้นการพูดเช่นนั้น ว่าจะเป็นการเบียดเบียนปัะทุสร้ายบุคคลอื่นพอมาถึงระดับสมาสังกปะก็พูดระดับความคิดแต่คิดแบบงดเว้นไม่ใช่ถึงกับเพิ่มพูนปริมาณของธรรมะให้เป็นหลักเพราะอันั้นก็คือจุดที่ก้าวเดินคล้ายๆกับเป็นการขึ้นบันไดขึ้นไปคือยังไม่ถึงในห้อ ง, องของบ้านนั้นๆมั น, นก็แนวคล้ายๆกับแนวอะไรละ แนวที่ทรงแสดงในกุศลกรรมบุตรเราจะเห็นว่าสามข้อนี่คือหนึ่งไม่โลภอยากได้ของของบุคคลอื่นเห็นไหมเป็นแนวมดเว้นถามว่าความโลภมีไหมก็ยังมีนะฮะมันไม่ใช่หมดกิเลสเป็นการพูดระดับบรรเทากิเลสกิเลส ก, ก็ยังมีอยู่ถามว่ายังโกรธไม้โกรธแต่จะถึงกับพยาอาฆาตพยาบาทกัน แล้วก็ถามว่ายังมีโง่ยังมีขาวยังมีหลงอยู่ไหมก็บอกว่ามีแต่ว่าอย่าถึงก็ออกนอกลูก่นอกทางให้มีกฎมีเกณฑ์มีหลักในการมองในการวินิจฉัยตัดสินต่างๆในกรณีใดที่เราไม่สามารถจะใช้ปัญญาได้ก็ใช้ศรัทธาเอาในกรณีใดที่สามารถใช้ปัญญาได้ก็ใช้ปัญญาแต่ตามปกติแล้วเนี่เรายัางไม่ลึกได้ทั้งหมดลง มันมีเรื่องเป็นแนันมากที่เราไม่สามารถจะยังรู้ได้อย่างในกรณีของเรื่องกรรมกับเรื่องสังสารวัฏเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นความรู้ระดับพระญาณหมายความว่าตอนนั้นสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์สัมมาสังกัปปะสมบูรณ์หมดแล้วอริยมรรคก็สมบูรณ์แล้วมันเกิดเป็นสัมมาญาณคือความรู้ในทางที่ชอบขึ้น ก็ทำให้รู้ทะลุทะลวงไปผ่านทังสารวัดไปอีกไกลแล้วในความเป็นมาของจังรวัดเองเวลานี้ถ้าเรามองกันในแง่ของวิชาการทั้งโลกประวัติศาสตร์โบราณคดีอะไรตไร่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะพูดประวัติศาสตร์ไปแค่สี่ห้าพันปีแต่เราพูดถึงกลับเป็นกันนะมันนานนั่นเองกันนั้นมาก ปัญหาสำคัญกว่าใครน่าเชื่อมากกว่าแน่นอนคนเหล่านั้นก็พิสูจน์ไม่ได้นะว่าันยุคประวัติตศาสตร์มันมีแค่ห้าพันปีเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าข้อมูลในเรื่องอดีตเนี่ยเขามีอยู่น้อยเขาก็พูดได้เแต่ก็พูดได้ผลสิ่งที่หลงเหลืออยู่เวลานี้เราจะเห็นว่าบางทีมันตั้งหลายล้านปีแล้วก็พูดเป็นหมื่นมื่นเป็น พันพันล้านปีกันแล้วก็มีขาให้เห็นว่าที่พระเจ้าทรงสแสดงไว้เนี่ยมันถูกกว่าตรงอุปมาเทียบเคียงให้เห็นสังสารวัฏเนี่ยมันยามนานนัเกิดคือคนเราที่เกิดตายเกิดตายเกระตายเนี่ยนะถ้าว่ากระดูกไม่ถูกเผาทำลายไปยังเหลืออยู่ทั้งหมด เ, เอามากองรวมกัน ส่งแสดงอยู่ใกล้ที่กรุงราชครื่ตอนนั้นก็ส่งชี้ภูเขาเวปุลบันพุทธว่ามันสูงกองสูงกว่าภูเขาเวปุลบันพุทธนั้นก็แสดงให้เห็นถึงว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเกิดเป็นความขัดแย้งกันในด้านวิชาการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ทางโบราณคดีในการศึกษาไปได้เท่านี้แต่ของเราเนี่ย มันเป็นการเรียนรู้ด้วยพยายานของพระพุทธเจ้าเราไม่มียานอะ่ะเราก็ต้องใช้ศรัทธาเอาคือเชื่ อ, อตรงนี้พระเจ้าแสดงไวาอย่างนี้ทีนี้อจากการเชื่ออย่างนี้มันเป็นเหตุให้เรารับผิดชอบในการกระทําการกระทําการพูดการคิดของเราพยายามลดเว้นเรื่องที่จะเป็นบาปเพราะการรมมันจะติดตามเราไปเหมือนเงาที่ติดตามเราไป เมื่อที่ท่านอุปมาว่าเหมือนล้อกเกวียนที่ตามรอยเท้าโคไปเนี่ยราะการเชื่อในเรื่องนี้ที่จริงข้อไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าช่วยคนกลัวบาปและกลัวการตกนรกที่สำคัญอย่างยิ่งคือเป็นเอเด้กเขาทำดีเขาก็เป็นคนดีมีสุขอยู่ในปัจจุบันแล้วพอเราพูดถึงปานาติบาตเนี่ยที่แปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จนเป็นสเพสตานะคับเปสตาที่เราแผ่เมตตาเนี่ยเราแผ่เป็นสเพสตากรุณามทุทิตาเบขาใชัดสเพตตาทั้งหมดแต่ว่าโดยเจาะจงแล้วเนี่ยเมตตาเขาเรียกว่ามีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์คือแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ได้แต่กรุณานั้นจะเอาเฉพาะสัตว์ที่ประสบทุกข์สบทุกภัยโรคเป็นอารมณ์ มติตาเอาสัตว์ที่ประสบความเจริญก้าวหน้าเป็นอารมณ์อุบเบกขานั้นก็อยู่ดูที่สัตว์ซึ่งประสบผงกาลมาพลนกรรมเป็นอารมณ์ซึ่งก็เคยให้ในัยยะมาแล้วนะฮะแต่ว่ามีประเด็นที่น่าศึกษาวันก่อนในอา่านเรื่องยีนว่ามนุษย์เนี่ยมันมีตัวยีนอยู่ก็ไม่เกินสี่หมื่น แล้วเขาบอกว่าที่แปลกก็คือยีนของเราเนี่ยกับลิงลิงซิมแปนซีมันต่างกันประมาณสิบเปอร์เซ็นตั่นเองเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นนี่เหมือนกันเลยแล้วก็พวกเนอพวกนอนพวกแมงสาพวกอะไรแต่อะไรต่างๆนี่ยีนเหมือนกับเราเยอะเลยยีนใกล้เคียงกับจำนวนยีนนี่ใกลเคียงกั น, น, น, น, กกนมันเป็นวิทยาการก้าวหน้าแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ ยอมรับในคุณค่าของชีวิตของสรรพสัตว์เหล่านั้นอยู่แล้วเราก็มองเขาเป็นสเปสัตามองเขาเป็นปานาติปาตาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทํายังไงจะให้มันเดินไปได้เดียบน้อยที่สุดก็คุมความคิดตัวอย่างที่บอกแล้วว่าที่มันค่อนข้างยากเนี่ยคือว่าเรามีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขากันแลหัตาในค่อนข้างใหญ่ ก็จะแสดงอัตราตัวตนออกมาให้ปรากฏแต่ก็ไม่ยอมรับนักถือ่อย่างยกตัวอย่างพศป อ, อเนี่ยเขาปฏิรูปการศึกษาในเป็นการกระจายอำนาจเข้าสู่เขตพื้นที่การศึกษาถึง295เขตพื้นที่นะในคอตมอก็มี6พื้นที่รวมแล้วก็300กว่า301นะคร แต่พอดูความคิดเนี่ยเขาไม่มีกระจายเลยไม่อื้อเฟื้อไม่ยอมรับฟังใครแต่นั้นพูดหวานหวานหวานเสร็จแล้วก็เละทุกทีเลยก็คุยกันมาตั้งแต่เดือนกุมภายังไม่ไปถึงไหนนะนั่นคือแสดงให้เห็นว่าโดยพื้นฐานมนุษย์เดี๋ยวมีอัตตาไม่มีตัวตนแล้วก็รู้สึกเป็นเราเป็นเขาเพราะในการที่จิตมันจะเดินไปเวลาแผ่เมตตาเนี่ยมันสะดุด สะดุดจาความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาแล้วก็แสดงให้เห็นชัดเจนนะว่าเช่นสมมุติเราพูดถึงความดีของใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมาและคนนั้นเนี่ยเขาถือว่าเป็นพวกเขาไม่ใช่พวกเราแรงลิสยามจะเกิดแซงจะก่อนเมตาจิตมันจะเกิดเกิดไม่ได้เราความลิสยามไปเกิดจะก่อนซึ่เมื่องมาจากจิตมันไม่พอใจ คือไปมองเขาด้วยความโกรธด้วยความแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาดังนั้นแนวของโลกของชีวิตถ้าเราดูให้ดีนี่นะก็คือทำยังไงมนุษย์เนี่ยยอมรับกางถือสถานภาพของกันแล้กันแต่ก่อนในชั้นของการงดเว้นคือสำรวมระวังเวลาเกี่ยวข้องกัสบสรรพชีวิตทั้งหลายเนี่ยอย่างที่ทรงแสดงว่าอริยสาวกในโลกนี้ หมดเว้นจากปานาติบาตไม่พกพาสัต ว, วุธเครื่องประหารมีความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายมันก็แสดงว่าถ้าเราทำได้อย่างนั้นจิตใจของเราก็จะมีความอ่อนโยนต่อสัตว์ทั้งหลายแล้วในสุดเราก็รู้สึกเป็นพวกเรา กระจายออกไปเรื่อยๆทั้งๆ ท, ท, ที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเมื่อก่อนดูข่าวช่องอะไรอะช่องวิเคราะห์เรื่องราชวงศ์ในป่านะคนระับราชวงศ์สาเทพคือทำให้สะดุดใจอย่างหนึ่งว่าคนที่มานั่งพูดกนะันเป็นคริสเป็นอิสลามแล้ว่าเป็นพุทธนะแต่ว่าพูดถึง คนที่นับถือศาสนาฮินดูด้วยความเป็นมิตรด้วยความสงสารด้วยความเสิดดาด้วยความสลดสดทดูแล้วก็เกิดความต้องการที่คือจริงจริงก็คืออยากจะไม่อยากให้เรื่องเหล่านี้เกิด น, นั้นก็แสดงเอนว่าโดยพื้นจิตจริงๆเนี่ยมนุษย์ไปได้นะฮเพียงแต่ว่าไปไม่ได้ทุกคนแต่นั้นเอง เพื่อทำอย่างไงเราจะสามารถมองสรรพชีวิตทั้งหลายด้วยความเป็นมิตรได้ที่ท่านบอกว่าคือต้องเห็นสัตว์ในน่ารักเมื่อเรามองรูนเด็กน่ารักมองผู้ใหญ่น่าเคารพมองคนระดับรุ่นราวเขาเดียวกันน่าสนิทสนมมันก็ไม่มีใครที่เราจะไป อาฆาตพยาบาทจะไปคิดทิสยาจะไปคิดเบียดเบียนแต่การปรับใจให้ไปมีเมตตาเป็นฐานเนี่ยมันปรับยากเพราะแนวตัวนี้ที่จริงเขาเรียกว่าอัปยาปะสังกปาคือดำริในการไม่พยาบาทมนาท่าจะโกรธแต่ก็อย่าผูกโกรธ ถ, ถ้าผูกโกรธก็ยากอาฆาตถ้าอาฆาตก็อย่าพยาบาท คือต้องลดความรุนแรงให้ได้นะพูดง่ายว่าพยายามลดความรุนแรงให้ได้แต่ว่าสังคมโลกเราเนี่ยมันมีแรงกระแทกกระทันมากๆบางครั้งเราก็สับสนนะนะอย่างในกรณีมูลนิธิของพลดมอดเอกสลางบุญนาคเข า, าเอกสารมาให้มายังไม่ได้อ่านตลอดนะแต่เราก็ติดตามข่าวคราวแล้วเราก็เห็นใจเขานะ แล้วก็รู้สึกซึ้งมากที่ว่าคนคนหนึ่งได้ทุ่มเทชีวิตลงไปเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่หมดหวังแล้วนะความหวังเหล่านั้นที่จริงก็ริบหรี่แตโรคเอดมันก็เกิดมานานแล้วหลายปีแล้วแล้วก็ต่างคนต่างก็ทำก็ไม่เห็นช่วยอะไรใครได้ฮนะมันก็เป็นความหวังริบรี่อย่างหนึง่ง ซึ่งก็เคยผ่านการพิสูจน์ทดสอบมาแล้วแล้วก็ไปกดเกณฑ์แบบพรลังมาใช้กันแล้วคนที่มาเคลื่อนไหวเนี่ยนะเราจะเห็นว่าเขาก็ไม่ได้ทำคุณอุปการอะไรคือไม่ได้ช่วยเหลือคนรอดตายจากการเป็นเอชมาเออถ้าเขาช่วยเหลืออยู่ได้องคมูนิธิเหล่านี้ก็ไม่จําเป็นต้องมีแหละแต่นั่นคือแสดงให้เห็นว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังล่ะ ในเมื่อคุณทดลองได้ทําไมคุณไม่คนอื่นทดลองด้วยละแล้วเขาสมัครใจที่จะทดลองของเขามันไม่ใช่ว่าเขาจะไปะยัดเยียดให้เพียงเขาประกาศบอกกล่าวให้ทราบเท่านั้นเองคือถ้าเรามองถึงว่ามองเขาเรียกว่ามองคนป่วยเนี่ยด้วยกรุณารูปแบบอย่าไปติดอย่าไปติดใจรูปแบบมันทํายังไงว่าเขาหายจากทุกจากภัยจากโรคได้ พอแล้วไอ้นั้นมารูปแบบทอนนั้นที่อมพูดเนี่ยรูปแบบเป็นขี้ข้าฝรั่งเหมือนความคิดของฝรั่งทําไมเจะต้องไปทดลองกับสัตว์เอาอาหารมันก็ทดลองกับมนุษย์ไม่ใช่ทดลองนะฮะมันส่วนทวนผสมที่เราดูก็พอแล้วอ่ะมันไม่ต้องวิจิตพิสดารอะไรเภสัชกรก็เป็นคนคิดขึ้นมาเขาเป็นวิเคราะห์วิจัยผ่านมานานแล้วเราดูตัวประกอบมันมีอะไรบ้าง ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมันมีสารอาหารเน้ยเราก็สาอาหารก็กินก็ไปมันไม่เป็นอันตรายอยู่โดยธรรมชาติมันไม่มีอันตรายอยู่โดยธรรมชาติเราะจะเรียกเป็นยากละเรียกเป็นอาหารก็ได้เพราะความหิวนี่ก็เป็นโรคอย่างหนึ่งอ่ะจะว่าไงความหิวเนี่เป็นโรคอย่างหนึ่งชิคัตชาปรมารูกานะฮะความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเพราะ่นก็ เราจะเรียกเป็นยาก็ได้เราเรียกเป็นอาหารก็ได้อันนี้มันเป็นเป็นความยึดติดในรูปแบบแล้วก็ดูแล้วก็ก็เรียกว่าสลดนะฮะสลดแล้วหน้าตาในแสดงเรวเ ว, วลิศยาคือตายเป็นเวลิัยาเวลิศยาเวล ว, แ, ว, วแข็งดีใกล้ใกลกับกลัวคนอื่นจะมายื้อแย่งหน้าตาของตัวเอง คือยงมองว่าถ้าเรามองคนป่วยเป็นศูนย์นะมันคล้ายๆเราสอนหนังสือเนี่ยนักเรียนเนี่ยเป็นศูนย์ทํายังไงให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนก็พอแล้วไม่ต้องไปติดใจในรูปแบบ น, นักเรียนได้รับประโยชน์จากเรื่องนั้นโครงสร้างเดียวกันน่ยโครงสร้างของความคิดในการนวัตกรรมโลกเนี่ยโลกมันเป็นศูนย์คือสัตว์ตัวโลกเนี่ยเป็นศูนย์ที่เราจะทําประโยชน์แก่เขา รูปแบบอย่าไปยึดติดมันมันไม่ไ ม, ม, มัมีความหมายอะไรเรารูปแบบอ่ะคนโราถ้าจะค้านค้านได้ทั้งนั้นเนีน่ยยาที่ทดลองสำเร็จแล้วก็ค้านได้รักษาคนตายเยอะไปี่โรงพยาบาลเนี่ยคนตายทุกวันเห็นไหมยาที่ผ่านการพิสูจน์ทดสอบมาแล้วไม่จะรักษาแล้วจะหายหมดเนี่ยเพราะโรคิงๆเนี่ยมันเกิดมาแล้วเนี่ยหนึ่งคือรักษาหรือไม่รักษาก็หาย โรคบางอย่างเนี่ยต้องรักษาจึงหายไม่รักษาไม่หายบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายแต่เมื่อเขาพอใจที่รักษามันก็เรื่องของเขาเห็นไหมว่าตรงนี้ดูใจตัวเองมันมีรทิ์เสียเขาไหมมีแข็งดีกขาไหมมีคิดเบ็ดเบียนไหมมีอาค่าพยาบาทเป็นส่วนตัวไหมไมนต้องดูที่ใจเขาทำเนยเราเห็นว่า มันเสียสละเงินทองเนี่ยหาศารมาอย่านึกชื่นชมอยู่ว่าก็สามารถลน้มน้าจิตใจให้คนเสียสละมาสนับสนุนกิจกรรมตรงนี้ได้ก็น่าชื่นชมแต่เวลนี้มันมีความชัดเจนเนี่ยว่าโรคเอดส์นี่ยังไม่มีการหายนแต่เขาก็มีตัวอย่างบุคคลสามารถยืนยันได้ว่ามีคนบางคนหายไปแล้วแต่แน่นอนมมันไม่ใช่บาดแรงมากเกินไปแต่แรงมากเกินไปมันก็หายช้ากว่าธรรมดาไนงะ ยาในโลกไม่มียาอะไรรักษาหายได้ทุกโรคหรอกแม้แต่ยาเฉพาะโรคตรงนั้นกรหมคนบางคนรักษาไม่หายคุณจะเอาอะไรคือดูฟังข่าวแล้วหรอกเราสลดวเอคนไทยเนี่ยเป็นยังไงทำไมจะต้องแสดงอ่ะแล้วพวกที่แสดงเอ o จอทั้งนั้นนะแสดงคัดค า, าคือคนเหล่านี้เป็นคนที่น่าสังเกตว่าเวลาอันตรายเกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองนี่ไม่รู้อยู่ที่ไหน คนไทยจะทําอะไรเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองแล้วออกมาเลยสังเกตมาไม่ใช่วันสองวันสังเกตมาเป็นสิบสิบปีแล้วตั้งแต่สมัยมีคอมม น, อคอ ม, มนิวนิสต์สมัยมีรบกันในเวียดนามเราสังเกตมาตลอดแปลกคนพวกนี้แปลกมันน่าจะถามมาเป็นคนไทยหรือเปล่ารักชาติหรือเปล่ามีความสุจริตใจหรือเปล่าเพราะแนตวตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าความคิดเนี่ยจริงมันคือมโนสุจริต มันเนื้อหาสาระเดียวกับในมโนสุจริตในกุศลกรรมบุตรนั่นแหละเพียงแต่ว่าเรียกไม่เหมือนกันกุศลกรรมบุตรนั้นไม่โลภอยากได้ของของบุคคลอื่นโลภก็ราคะมันก็กิเลสกลุ่มเดียวกันตรงนี้เน้นไปที่ราคะคือที่พยายามดึงกายดึงจิตออกจา ก, กวัตถุกรรมต่างหลายวัตถุกรรมก็เป็นที่ติังข่งความโลภเป็นนิตติังของราคะกันแล้วแต่เราจะพูดตัวไหน แล้วก็ไม่ดำริในอันไม่อาคาตพยาบาทเห็นไหม น, นี้ตรงกันดำริในการไม่เบียดเบียนคนที่เบียดเบียนในความเห็นผิดตรงนั้นก็เปลี่ยนเป็นสมาริทิคือปัญญาเนียนชอบอสรุปว่าก็แก้โลภะโทสะโมหะให้บรรเทาบาบางจางคลายลงไปจากจิตใจเนี่ยเป็นเนื้อหาสาระที่มีความสาคัญ ปัญหาใหญ่ในชีวิตของมนุษย์เนี่ยเอาข้าจริงในความคิดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่เบื้อนี้เรื่องเป็นอันมากเนี่ยเราใช้อารมณ์มาคิดแล้วพยายามที่จะสร้างเงื่อนไขให้เขาเห็นว่าใครไม่คิดตรงกับตัวเองก็แค่ตัวเองมีธรรมะมากมายก่กองหรือยกตัวอย่างในกรณีเนี้ยตกัณีกำลังมือวาากันอยู่เนี่ย แค่นี้ขอท่านนายกเรื่องสุขคุณนใช้เข้ามาสุขคุณนก็เส้นนั้นในที่จริงคนละประเด็นนะคนละประเด็นกันถ้าคนมีใจเป็นธรรมอ่านหนังสือออกแล้วนี่มันคนละประเด็นกันไ ม, ไม่ใช่เรื่องคอร์รัปชั่นไม่ใช่เรื่องทุจริตไม่ใช่เรื่องอะไรเลยนะมันเป็นเรื่องว่าเขามาเล่นการเมืองกันแต่นั้นเองภาษีก็ก็เสียอะไรเรียบร้อย ทำไมจะเอาเป็นอดตายกันแน่แล้วแสดงวีรกรรมมันเป็นวีรเวรนะบางทีในราแสดงไอ้นี่มันริษยานี่ไม่ใช่เมตตานี่มันริษยากลัวเขาจะเจริญก้าวหน้าและนึกว่าสมมติว่าเปลี่ยนแปลงได้เ อ, เอาทานายกออกไปได้เนี่ยกุฏาสินออกไปได้แล้วใครจะมาเป็นคือคนที่เป็นนายกได้แล้วก็เป็นดีเนี่ย เป็นสามารถแก้วิกฤตการได้นี่มันหายากนะผู้เป็นเล่นคนมันเยอะไปนะแต่ความสามารถของคนแตกต่างกันอย่างน้อยคนคนี้เขาก็พิสูจน์ตัวเขาเองไะจากโขลกล้มหขลกลุกมาเป็นหนี้เป็นสินก็เป็นร้อยรอยล้านแล้วเขาก็ช่วยตัวเองขึ้นมาได้จนกลายเป็นหมาเศรษฐีเนี่ยบางก็น่าจะปล่อยก็ใช้ผีมือแล้วก็ไม่น่าจะไปซ้ําเติมเกินที่เขาเป็นจริงเอาที่ผิดก็ว่าผิดอะ แต่มันไม่ใช่ใช้แลแนวริษ ย, ยาคือให้ดูใจตัวเองโดยเห็นว่าธรรมะทางสามประปะ่าในดูใจตัวเองว่าคุณคิดอย่างนี้เนี่ยมันฐานจริงๆเนี่ยคุณมีใจเป็นธรรมหรือเปล่าพราะดูตาคุณมันก็ค้านแต่คําพูดคุณนเะพราะตาเนี่ยมันเป็นหน้าต่างของใจมันแสดงริษยาแสดงอาการปราบาัแสดงถึงความโกรธมันเสียใจที่ตนเองต้องสูญเสียอํานาจไปแล้วต้องการจะย้อนกลับกลับมาสู่อํานาจโดยวิธีอะไรก็ไม่รู้ อันนี้ก็คือคือคือความดําบิดผิดเมื่อความดําบิดผิดแล้วในมันไม่ได้สาระประโยชน์อะไรขึ้นมาเป็นการสะสมบาปด้วยใจเป็นการสมบาตด้วยปาก ส, สมบาสมบัตด้วยกาย ส, สมบาตด้วยใจแต่ในที่นี้ก็เน้นไปที่ใจเนี่เป็นประการสคาคัญผลสมาธิกะจึงเป็นเรื่องใหญ่ว่าทํำยังไงคิดได้ดีคิดได้ ด, ด, ค ด, ดีคิดได้เป็นคิดให้ชอบมีกฎเกณฑ์มีหลักมีที่ไปที่มา สามารถนำไปเทียบเคียงได้เติมฟังท่างหร่แต่รมปัฏิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอ ง, งามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี